ก็บอกว่าสัญญาวิญญาณปัญญาเนี่ยมันต่างกันยังไงเขาบอกว่าเอาคิดง่ายๆอย่างนี้ว่ า, าวิญญาณเนี่ยเป็นปริญยยาธรรมปัญญานี่เป็นภาเวตะปาธรรมดูก่อนพิสูจทั้งหลายปัญญาไม่เที่ยงหรอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เคยได้ยินไหยใครอ่านเจอบ้างสติก็ไม่เที่ยงหรอกพิสูจทั้งหลาย มันเป็นอนาตตาเคยอ่านไหมไม่มีพระองค์จะไม่ใช้อัตถกาถาจะไม่ใช้เด็ดขาดจริงอยู่แต่ว่าไม่นํามาใช้ถ้าบอกสติก็ไม่เที่ยงนะใครสติไม่ไม่เจริญสติก็ก็มันไม่เที่ยงอะครับใช่ไหมศีลเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะสมัยจะเป็นสมัยพุทธกาลนะพระภิกษุรูปใดไปทุศีลขึ้นมาเนี่ยนะบอกภิกษุเออมันเป็นธรรมดาจริงๆศีลก็ไม่เที่ยงไม่มีคําพูดประเภทนี้ไม่มีมีแต่ว่ายังไงรู้ไหมดูก่อนโมฆะบุรุษ การกระทําของเธอไม่เหมาะ SM, ไม่สมไม่ควรใช้ไม่ได้ไม่กิดไม่ใช่กิจของสมณนะไม่ะควรทําฉะนั้นเธอจึงไปทําอย่างนั้นการกระทําของเธอไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เป็นเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้เป็นไปเพื่อความเป็นอื่นของชนที่ที่เลื่อมใสแล้วเนี่ยนะมีแต่ตำหนิอย่างเดียวตราบโทษแห่งความเป็นคนมักมากความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบํารุงยาก ตรัสคุณแห่งความเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นต้นแล้วก็แสดงธรรมมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นแล้วบัญญัติศีคราบทขึ้นนะพระองค์มีแต่ว่าอย่างนี้นะถ้าทุตศีลมากเข้าจริงๆก็ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเนีย่ยนะกอดกองไฟกับเป็กนะกอดนางกษัตริย์ไหนดีกว่ากันเงีย้ยนะก็เริ่มล้ที่มาของอน้ะองจะสอนมากเลยนะคือคือบอกว่าท่าพาเวตประธรรมคือศีลสมถาวิปัสนาถ้าเสื่อมไปเป็นไปเพื่อทุกโทษเป็นไปเพื่ออบายทุกขติวินิบาดนรก ถ้าเจริญเนี่ยเป็นไปเพื่อมรักผลใน้ผ่านผลโพงจะไม่เอาพาเวตพธรรมมาบอกไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่ก็เหมือนกันนะะบอกว่าจะใช้คำว่าใช้คำที่เป็นปริญญาธรรมตลอดคือภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตโดยตรงนี้ยกจิตยกวิญญาณขึ้นมาทั้งทั้ง ท, งที่ในนั้นก็สัมปะยุทธ์ด้วยปัญญาแต่แยกเอาปัญญามาเป็นธรรมที่ควรเจริญควรทาให้มีขึ้น แต่สมัยใหม่บอกสติก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เลยกออ็มันก็อย่างนี้แหละคิดอะไรมากนะจะป่วยเอาแต่รู้ว่าในยุคนี้ปริยัติกับอ่าปริยัตินี่เลอะเลือนเต็มทีแล้วเนี่ยนะอันนี้ควรควรที่เราจะสังเวชไว้อย่างหนึ่งว่าปริยัตทั้งหลายก็เลอะเลือนเมื่อปริยัตเลอะเลือนการปฏิบัติจะไม่ลุ่มลงได้อย่างไรเห็นไหมเพราะแยกไม่ออกว่าไหนเป็นธรรมที่ควรจเจริญไหนเป็นธรรมที่ควร พิจารณาอะไรเป็นธรรมที่ควรละถ้าแยกแยะตรงนั้นไม่ออกฟังแล้วก็มีเหตุผลดีเนี่ยนะนีมาดูอ่านิย่แรกไอที่บอกว่ากาลาปโตก็คือเอาเป็นเป็นกลุ่มเนี่ยนะเป็นกลุ่มเลยว่ากลุ่มนามธรรมทั้งหลายกลุ่มจิตทั้งหลายที่พิจารณารูปสัตตกะเนี่ยนะว่าจิตที่ไปพิจารณารูปสัตตกะรูปเจ็ดหมวดโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ ก็จิตดวงหลังมาก็พิจารณาจริงๆใช้คําว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขามาไม่ค่อยชอบหรอกคือถ้าเป็นดวงมันก็อะไรนะดวงจิตดวงอะไรก็คือกลมขึ้นมาใช่ไหมจิตมันกลมแบบนั้นไหมอ่านะไม่กลมถ้าว่าเป็นขนาดก็ไม่ดคีคือสภาพเพราะว่าจิตที่พิจารณารูปสัตวากาศเนี่ยนะบางทีมันคิดเป็นวันๆนะ่ะจะไปบอกว่าดวงหนึ่งไนดะ้ยังไงเพมากลุ่มความคิดทั้งหมดกลุ่มจิตที่ระดมไปพิจารณารูป โดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากลุ่มจิตเหล่านั้นเอาจิตชุดใหม่มาบอกพิจารณาว่าจิตชุดนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยนะแต่มันจำเป็นต้องพิจารณานะเพราะว่าบางคนเนี่ยสันชาติแห่งผู้มีมานะมากอุ้ยพวกนี้เนี่ยสู้เราไม่ได้ไอันนี้จังทุกขังอนัตตาพวกนี้ก็ไม่เคยเอามาคิดบ้างเลยเดี๋ยนะเป็นที่ดูหมิน่นดูแคลนของผู้อื่นใช่ไหม นั้นพระ อ, องค์จึงเน้นให้พิจารณาไอ้ตัวความคิดเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้กระทั่งคิดอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่ก็บอกตัวความคิดนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้มามาในยุคหลังเข้าบางคนที่ศึกษาไม่ดีก็มาพบข้อความอันนี้เข้าก็เลยนี่ไงให้จะต้องพิจารณาจิตให้มันทันจิตปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทําได้เร่งให้มันทันปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะ ทำได้อันนี้คือแสดงว่าไม่ได้เข้าใจข้อปฏิบัติโดยลำดับอะไรเลยหรือไม่ก็เหมือนกับใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะถ้าบอกว่าถ้ามาถึงเปิดแต่หนังสือเล่มนี้ปั๊บจะมีแต่คำว่านามรูปโดยมากแต่นี่มันเล่มหกนะแล้วเล่มหนึ่งสองสาสี่หไปทิ้งไว้ไหนตำราชุดเดียวกันว่เาเล่มหนึ่งสามสี่ห้าโดยเฉพาะเล่มห้านี่พูดอะไรขันอายตนะธาตอินทร์สัจจะปฏิจจะอย่างพิสดาร เพราะฉะนั้นพอเล่มหกปับสรุปเหลือทั้งหมดนั้นย่อเหลือแค่นามรูปนะนะแล้วก็มาอธิบายแล้วก็บังอย่างไปดึงข้อความในสมาธินิเทศมาด้วยแต่ว่ามาประมวลให้ดูเพื่อสะดวกในการบรรยายเนี่ยนะเพื่อสะดวกในการแสดงเพราะถ้ารายละเอียดมาแสดงวางโครงสร้างแบบปฏิสัมพิทาเนี่ยนะก็ไปเรียนปฏิสัมพิทาเอาก็แล้วกันนั้นมันกว้างขวางดีเอา201คูณเข้าไปเนี่ยนะอันนั้นมันก็จะเยอะเองเพราะฉะนั้นท่านอยากบอกว่าท่านอยากจะเรียบเรียงแบบย่นย่อ ย่อนย่อในความความในสมัยนั้นนะของเราก็บอกว่ายัางพิสดารอยู่อยู่ดีแต่ไม่ค่อยฉลาดพ อ, อไอสิ่งย่อนี้เเขาไว้แสดงกับใครผู้มีปัญญา น, นะผู้ไม่มีปัญญาก็ต้องเรียนแบบพิสดารของเราเนี้ยปัญญาไม่มากแต่ขอแบบยอ่อนี่ก็เป็นความเข้าใจพลาดอีกเรื่องหนึ่งเองกันนะว้ยมองไปในแง่ไหนก็ว่าแต่เราไม่ดีเน่ยนะนะ น้อยอกน้อยใจแล้วนะเหมือนกันนะนะก็น้อยต่อไปกัแล้วกันจะได้เฝ้าวัตตะนานๆนนมาดูคำํำย่ำ ม, มะกะโตเนี่ยนะย ม, มะกาแปลว่าคู่นะโตแปลว่าโดยนะโ ต, ย โ, นะโตปัจจัยลงในอัตว่าโดยนะตัติยาวิพัฒน์เนี่ยนะโด ย, ย, มมะะยว่ายมะกาแปลว่าคู่โดยนะโดยความเป็นคู่โดยเป็นของคู่ว่าภิกษุในพระศาสนานี้ทําไมใช้คําว่าภิกข u เพราะเน้นไปที่ผู้เห็นภัยใหญ่หลวงในวัตฏสงสารนะนสำนวนคุณรัตนาชาติดีบอกผู้เห็นภัยใหญ่หลวงในวัตฏสงสารงัคําว่าพิขุ ค, คือผู้เห็นภัยใหญ่หลวงในศีศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาผู้เห็นภัยในไหลใหญ่หลวงเนี่ยโดยที่ประกอบอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี้พิจารณารูปโดยอาธานานิเคปะ น, นะคือที่ ที่ยึดถือและทิ้งไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาจิตแม้ดวงนั้นด้วยจิตดวงอื่นว่าจิตดวงก่อนนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอ่นนะอ่นนะพิจารณารูปที่แก่ไปตามวัยอันถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ว่าพิจารณารูปทั้งหมดอ น, นะตั้งแต่อะไรตั้งแต่หาร้อยปีหาร3หารหาร3หารสิบหาร ยี่สิบหารยี่สนะิหารอนะหาร50อันนเออหาร30หาร50แล้วก็หาร1ก็เท่ากับทุกปีแล้วก็มาอะไรปีหนึ่งหารหาร3นนก็คือหาร3ก็คือทุก4เดือนแล้วก็หาร2ทุกสเดือนแล้วก็มาเหลือทุกข้างขึ้นข้างแรมมาเหลือเออเหลือแต่วันแล้วก็แบ่งวันเป็นหาร6 วันหนาหเนี่ยนะนะแล้วก็จนถึงขณะไปมาแลเหลียวคู่เหยียดรวมสรุปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเออสุดท้ายนะัลืมยกย่างเหยียบย้ายย่อนยันนะเรือนั้นด้วยว่าพิจารณาทั้งหมดนั้นโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตดวงหนึ่งแล้วก็จิตดวงใหม่มากลุ่มใหม่มาพิจารณาจิตกลุ่มก่อนนั่นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา พิจารณารูปที่เกิดด้วยอาหารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พิจารณาจิตนั้นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณารูปที่เกิดด้วยอุตุว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พิจารณาจิตที่พิจารณารูปนั้นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปที่เกิดแต่กรรมนะพิจารณารูปที่เกิดจากกรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พิจารณาจิตนั้นแหละว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณารูปที่มีจิตเป็นสมุตฐานว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาจิตเหล่านั้นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาธรรมดารูปคืออะไรคือใบอโศกเป็นต้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พิจารณาจิตเหล่านั้นแหละเอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีกี่คู่อไมมีกี่คู่เจ็ดคู่ คู่ที่หนึ่งก็คือนามรูปเกี่ยวกับอะไรนามกลุ่มหนึ่งรูปกลุ่มหนึ่งคือโดยการถือเอาแล้วทิ้งไป ค, คู่ที่สองอนะอะไรเสื่อมไปตามวัยแล้วก็จิตที่พิจารณารูปที่เสื่อมไปตามวัยคู่ที่สามอาหารมิยารูปสี่อุโตุมิยารูปห้ากรรมหกจิตเจด็จดรูปธรรมดาก็คู่หนึ่งทีคู่ทีละคู่ ท, ลทีละคู่ไป นะมีเจ็ดคู่นี้เรียกว่ายมัคกโตไม่เหมือนกลาปะโตใช่ไหมกลาปะนี้รวมทั้งหมดนะว่าสประม ว, ว่าออจิตที่พิจารณารูปทั้งเจ็ดหมวดนั่นแหละจิตเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ม, มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพอมาย่ามกะโตเนี่ยมาค่อยๆทีล ะ, ะว่าเป็นคู่เนี่ยนะว่าเป็นคู่คไปมีอยู่เจ็ดคู่ด้วยกันนี้มาดูคณิกะโตคณิกะโต ขนิกรเนี่ยโดยสับคณิกรมแปลว่าขณะนะนะโดยขณะโดยขณะนะนนทำไมเขาโยกจิตมาก็ไม่ทราบแปลว่าโดยขณะนะทับสับตรงๆก่อนว่าโดยขณะว่าพิกสูจนในธรรมวินัยนี้พิจารณารูปในการยึดถือและการท้อทิ้งไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตกลุ่มที่หนึ่ง พิจารณาจิตกลุ่มที่1ด้วยจิตกลุ่มที่สองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปร HAEL ปรวนไปเป็นธรรมดาพิจารณาจิตกลุ่มที่สองด้วยจิตกลุ่มที่3ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเอาจิตกลุ่มที่4มาพิจารณาจิตกลุ่มที่สาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้พิจารณาอยู่กี่ชั้นสี่ชั้นนีก็ ไล่ง่ายๆอย่างนี้ว่าหนึ่งสมมติพิจารณารูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตต า, าหนึ่งแล้วก็ด้วยจิตดวงที่เนี้ยทีนี้นจิตดวงที่อันนี้ถือว่ากลุ่มที่หนึ่งไงกลมที่สองมาพิจารณากลมที่หนึ่งกลมที่สา ม, มาพิจารณากลมที่สองกลมที่สี่มาพิจารณากลมที่สามเท่ากับชูห้านิ้วเลยนะนี่แหละเรียกว่าโดยขณะนะซ้อนกันเนี้ยพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่สี่ครั้ง ครั้งที่หนึ่งพิจรารณารูปครั้งที่สองพิจรารณากรมนามที่สองครั้งที่สามพิจารณากรมนามครั้งที่สี่ก็พิจารณาคือพิจรารณารูปอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหนึ่งครั้งพิจารณานามอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสามครั้งเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าโดยโดยขณะอะ่โดยขณะแต่ไม่ต้องใส่คําว่าจิตนะตัดน่าจะตัดคาว่าจิตออกไป เพราะว่าการพิจารณาอย่างนี้เขาไม่ได้พิจารณาโอ้ยรีบเปนๆโอ้ยมันจะมาไปละมั้ง น, น, นะนะก็เอาแค่ธรรมดาไม่ต้องรู้สึกว่ารีบอะไรขนาดนั้นคือแปลกนะมันเป็นสมัยอะไรแปลกที่สุดว่ากลัวจะวิ่งไม่ทันเหยียบเงาตัวเองนะจะต้องรีบจนถึงเพื่อจะให้เหยียบเงาตัวเองนี่ก็เหมือนกันรีบเจริญให้มันทันปัจจุบันให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้มาว่าไม่ป่วยก็บวมๆไปหน่อยแล้ะมั้ง นะไม่ต้องรีบอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกค่อยๆพิจารณาไปบางคนนี่พอรีบพิจารณาปับ๊บมันเหนื่อยแล้วมันเครียดโอ้ยถ้าออกกรรมฐานแล้วโล่งเลยเพรางั้นเราเข้ากรรมฐ า, านเมื่ อ, อไหร่จะป่วยอีกแล้วอย่างนั้นนะนั่นคือคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่พิจารณาเป็นพิจารณาถูกต้องมันไม่ได้เหนื่อยหรอกยิ่งพิจารณายิ่งมีความสุขด้วยซ้ําไปเพราะว่าสมถาวิปัสนาเนี่ยเป็นไปกับสุขและโสมนัตโทมณัสเกอร่วมกับจิตชนิดใด โทสะเกิดร่วมกับอกุศลทักเจริญแล้วโทสะเกิดนี้บทใจแน่นอนอันนี้ทีนี้พิจารณารูปกลุม 2, กล่มที่สองกลุ่มที่สองคือเสื่อมไปตามวัยใช่ไหมรูปที่แก่ไปตามวัยเสื่อมไปตามวัยตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาด้วยจิตกลุ่มที่หนึ่งจิตกลุ่มที่สองมาพิจารณาจิตกลุ่มที่หนึ่งจิตกลุ่มที่3ามาพิจารณาจิตกลุ่มที่สองจิตกลุ่มที่สาม พิจนากลมที่2จิตกลุ่มที่4พิจารณากล like ุ่มที like right. ่สโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ก็เรียกว่าคณิกะโดยขณะเนี่ยนะแล้วก็พิจารณารูปที่เกิดจากอาหารโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยด้วยจิตกลุ่มที่1จิตกลุ่มที่2ก็มาพิจารณาจิตกล่มนั้นนั่นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากล่มที่3มาพิจารณากลุ่มที่สองกลุ่มที่4มาพิจารณากล่มที่3โดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พิจารณารูปที่เกิดจากอุตุว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็อนัพิจารณาซ้อนกันอย่างนี้อีกสาครั้งพิจารณาจิตดวงที่หนึ่งด้วยจิตพิจารณาจิตกลุ่มที่หนึ่งด้วยกลุ่มที่สองพิจารณากลุ่มที่สองด้วยกลุ่มที่3าพิจารณากลุ่มที่สาด้วยกลุ่มที่สี่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็พิจารณารูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรม ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอานี้นะแล้วก็ที่จริงกลุม่มพิจารณากลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมพิจารณาไงนะพิจารณาว่าไงก็กรรมช่อรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้หรอือใช่ไหมเออเรียนไปไม่นานเนะมื่อวานเองพิจารณาว่าไงนะอนานะรูปในจากเขาเรียกว่ากรรมทวารกรรมทวารที่เป็นอายตนะ นะพิจักขุก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ถึงโสตะโสตะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ถึงคานะคานะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ถึงชิวหาชิวหาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ถึงกายะกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ถึงหัตถะหรือไม่ถึงมโนทวานก็สิ้นไปเสื่อมไปพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาในกรรมชรูปเหล่านั้นแล้วก็พิจารณาจิตกลุ่มนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปปปปรรรววนไเ็ธมดดา้ย จิตกลุ่มที่สองจิตกล่มที่สา ม, มาพิจารณากลุ่มที่สองกลุ่มที่สี่มาพิจารณากลุ่มที่สามอย่างนี้ก็เรียกว่าคณิกะโตในกรรมชรูปส่วนรูปที่มีจิตเป็นสมุฐานก็พิจารณายังไงนะก็ดีใจกับเสียใจง่ายๆรูปที่เป็นไปก็ดีใจเป็นยังไงสดชื่นถ้าเสียใจล่ะหอเหี่ยวเหียวเฉาอยู่นั่นแหละนะเหี่ยวเฉาดอกโศกบานตอนนี้ดอกโศกมันเช้าแล้วแนั้นก็ดี เกิดมาอะไรนะโทมนัสสัมปยุทธอะไรไม่ทราบถ้าร้องให้มากๆจะได้สักมรรคสองมรรคโอ้ได้ไป น, นานแน่นะได้ไปหลายมรรคแล้วรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานว่าตอนที่ดีใจก็ไม่ถึงตอนเสียใจเสียใจก็ไม่เหมือนดีใจมันดีใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสียใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะ แล้วตอนเสียใจทําไมจึงเสียใจมันคิดอะไรอยู่เนาะมันเสียใจมันถ้าว่าไปรวมๆนะแบ่งหนึ่งสัมประโยคทุกบ้างวิปประโยคทุกบ้างปราถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกบ้างก็มีอยู่เท่าเนี้ยนะดอกโศกที่มันบานนะ่หนึ่งวิปประโยคทุกสองสัมประโยคทุกสามไม่สมหวังปรารธนาสิ่งใดก็ไม่สมหวังนะพี่อิลองช้บดูโศกมันบานเนี่ยเพราะอะไร เพราะวิตประโยคหรือสัมประโยคหรือว่าไม่สมหวังนะก็มีอยู่สามอย่างนะเชื่อไหมคนที่ชื่อสมหวังบโดยมากกับผิดหวังนั้นความหวังใดๆก็จะนํามาซึ่งความผิดหวังรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานนะว่าคราวดีใจก็ไม่ถึงเสียใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคราวที่เสียใจก็ไม่ถึงดีใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วย พิจารณาด้วยจิตใช่ไหมด้วยวิปัสนาจิตเนี่ยจิตในที่นี้หมายถึงวิปัสนาจิตนะจิตที่เห็นแจ้งโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาแล้วก็พิจารณาจิตกลมกลมก่อนด้วยจิตกลมหลังว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาจิตกลมที่สองด้วยกลมที่สว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณากลมที่สามด้วยกลมที่สี่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นีพิจารณาธรรมดารูปหะ่ะอย่างเช่นอะไรนะยอดอสโศกนะตั้งใจออกยอดมาเป็นแดงเรื่อๆจากแดงเรื่อๆเป็นยังไงามามาตกเรื่องสีตกเรื่องสีที่สุดเลยนะว่ยให้อธิบายเนี้ยเนี้ยดอกในเนี้ยมันสีอะไรบ้างในพูดไม่ถูกมั้ยตกสีรู้ว่าเออจากครูวิญญาณแยกได้แต่มโนวิญญาณแยกไม่ออกมารู้ก็เรียกชื่ออะไรอืมอื ม, ม, มนั่นก็ว่าสอบเรื่องสีเมื่อไหร่ตก อยแคไม่รู้เขามาแยกได้ยังไงเออนี่น้ําตาลอ่อนนี่น้ําตาลแก่นี่อะไรนะนี่สีส้มนี่สีเขียวนี่สีเหลืองเหลืองอ่อนเหลืองแก่เหลืองใบตองเหลืองอะไรนะว่าเออทําไมเขาเก่งอย่างไงนะเขาแยกเป็นนะนะของเราจําชื่อได้เห็นสีแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าไม่มีชื่อแป ะ, แปะว่าถ้ามีชื่อแปะนะ่เราจะอ่านออกอะนะโง่จริงเลยเนาะ <c oughs> นี่มาดูว่าตัวรูปเหล่านั้นนะะปัญญาที่พี่ไปพิจารณารูปเหล่านั้นโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนะตาพวกธรรมดารูปนะใครเคยพิจารณาถนนก็ไม่เที่ยงมั้งห้พ่อยสูภูการไม่ได้ผู้การเขาบอกว่าพวกถนนเนี่ยนะท่านมันเสื่อมเร็วมากเลยครับว่าเนี่ยนี่เขาผู้การเขาเป็นถนนเนี่ยมันไม่กี่ปีนะก็อย่างเช่นถนนเนี่ยถนนถ้าเป็นถนนแถวตามจังหวัดด้วยเพิ่งสร้างในกี่ปีนี้เดียวก็ แต่ส่วนไปไม่ได้พิจารณาไม่บน่นเฉยๆทำไมเมื่อไหรจะพิจารณาบ้างอะนะพิจารณาเนี่ยคือไม่ใช่บ่นนะไอ<สะ>การพิจารณากับบ่นมันต่างกันก็เอารูปเหล่านั้ น, นมาพิจารณารูปที่เกี่ยวกับหลายเรื่องด้วยกันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างอะเนี่ยะรูปที่เป็นไปกับต้นไม้ใบหญ้ารูปที่เป็นไปกับ ก้อนหินภูเขาเป็นต้นเนี่ยนะแม้กระทั่งเขาให้พิจารณาทั้งหมดท่านก็เพียงแต่ยกยอดอโศกขึ้นมาทั้นยอดมะม่วงเกี่ยวกับต้นมะม่วงต้นขนุนต้นมะละกอเกี่ยวกับบ้านช่องห้องหอรถไร่นาที่ดินเนี่ยนะพระพุทธเจ้าอะไรนะโปองกําหนดรู้ทุกพร้อมทั้งไร่นาและที่ดินเนี่ยนะถามว่าไม่กําหนดรู้ในสิ่งเหล่านั้นถามว่าอะไรก็ตามนะที่เราไม่ค่อยพิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นแหละจะนํามาซึ่งความเศร้าเนี่ยนะ เศร้าแน่ถ้าถ้าถ้าสิ่งเหล่านั้นแปรไปสังขารที่เกิดสังขารที่เที่ยงมีไหมไ ม, ไม่มีอยู่แล้วยังไงมันก็อนิจจังสังขารที่นํามาซึ่งความสุขจริงมีไหมไม่มีสังขารที่เป็นอัตตาจริงมีไหมหรือเป็นของอัตตาไม่มีจริงเมื่อไม่มีจริงเมื่อเราไปคาดหวังในสิ่งที่ตรงกันข้ามเราก็จะทุกข์เลยนะก็จะไปหลังน้ำตาเปรีบๆอยู่กับสิ่งนั้นๆ น, น, นั่นแหละไม่เป็นไร น, นะก็บอกว่าร้องให้บ้างก็ดีเหมือนกันตามจะได้สะอาดขึ้นเหมงอนกัน ล้างสิ่งปฏิกูลออกมาบ้างนะก็พิจารณาสี่ชั้นนะสี่ชั้นดวงที่กลุ่มที่หนึ่งด้วยกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองด้วยกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามด้วยกลุ่มที่สี่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา อ, อ๋อจริงมีห้ากลุ่มนะของทำไมโยไม่บอกว่างเนี่ยพอมาเห็นแต่เลขสี่เนี่ยจริงๆต้องห้าชุดสิเนาะ คณิกะโตเนี่ยมีห้าชุดโอ้ยไม่บอกกันบ้างเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยดูช่วยกันดูทั้งสี่ห้าสิบคู่มองไม่เห็นเลยว่าเอาดวงที่ชุดที่สี่ด้วยชุดที่ห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็พิจารณาซ้อนกันห้านะห้านะก็ซ้อนกันห้านะพิจารณารูปโดยอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณากลมที่1ด้วยกลมที่สองพิจารณากลมที่2ด้วยกล่มที่3มกลุมที่3ด้วยกลมที่4ี่กลมที่4ี่ด้วยกลมที่หมันเป็นการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหครั้งใน1รูปเพราะฉะนั้น7จ็เคูณหเท่ากับ7จหโอ้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตา35ครั้งเลยนะทีนี้โดยปาติปาติโตแปลว่าโดยลําดับนะโดยลําดับอันนี้นี่ซ้อนกันสูงมาก สูงมากสูงเท่าไรโอ้ยสิชั้นเลยนะดวงที่ส1พิจารณาดวงที่10เลยแหละก็เพิ่มเพิ่มจากตอนกลุ่มต้นๆนะนะว่าพิสูนในพระศาสนานี้พิจารณารูปโดยการยึดถือและการทอดทิ้งไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยกล่มที่1พิจารณากลมที่1ด้วยกลุ่มที่สองกลุ่มที่2ด้วยกลุมที่3กลุ่มที่3าด้วยกลุ่มที่4ี่ที่4ด้วยกล่มที่5ที่ห้าด้วยกลุ่มที่6ที่6ด้วยกลุ่มที่7 กลุ่มที่เจ็ด้วยกลุ่มที่แปดกลุ่มที่แปดด้วยกลุ่มที่เก้ากลุ่มที่เก้าด้วยกลุ่มที่สิบกลุ่มที่สิบด้วยกลุ่มที่สิบเอ็ดไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดาโอ้ยซ้อนกันอยู่เท่าไหร่นะชั้นที่สิบเอ็ดนะชั้นที่สิบเอ็ดจึงพอว่ากันแล้วก็พิจารณาณสิบเอ็ดคูณเจ็ดเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดรอบเนี่ยนะโอพิจารณาอย่างนี้ให้ได้เจ็สิบเจ็ดรอบโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา บอกว่าภิกษุควรพิจารณาไปโดยลําดับวิปัสนาอย่างนี้ตลอดทั้งวันโอเอาวันเลยนะพิจารณาทั้งวันเลยเนี่ยก็บอกเอวังวิปัสนาปาติปาติยาสกลัมปิทิวสภาคังสัมมาสีตุงวัตเตยะเนี่ยนะบอกว่าต้องพิจารณาอย่างนี้นะตลอดทั้งวันเลยนะ อ, อันว่าทั้งรูปกรรมฐานทั้งอรูปกรรมฐานย่อมต้องมีความคล่องแคล่ว ตั้งแต่การพิจารณาจนถึงจิตดวงที่ชิด จ, จิตกลุ่มที่สิเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวพักการพิจารณาไว้จิตดวงกลุ่มที่สิบเท่านั้นเมื่อพิจารณาโดยประการดังกล่าวมานี่ชื่อว่าพิจารณาโดยลำดับนั่งพิจารณาอยู่อย่างนี้สักอาทิตย์หนึ่งน่าจะคล่องแล้วเนาะปัญหาวรร น, นามรูปไม่ค่อยคล่องแล้วขึ้นมาชั้นนี้เลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะลองฝึกเดี๋ยวปฏิปัติต่อปะโปะกันเข้าไปเดี๋ยวก็ต่อกันติดเองอะนะเหมือนเล่นจิ๊กซอ้นะ ตอนไหนต่อหัวได้ก็ต่อหัวไปก่อนตอนต่อขาได้ก็ต่อขาไปก่อนตอนต่อกำแพงได้ก็ต่อต่อจนกว่าจะเต็มนี่แหละนะ้นต่อจนกว่าจะได้ดิบได้ดีนี่นแหละเป็นผ้าหันค่อยพอ ในคําทั้งสมที่กล่าวมาเนี่ยนะสุดท้ายอ่ะนะได้ได้ไปกี่ข้อแล้วหนึ่งข้อแรกกาลาปโตกลุ่มที่สองยมกัโตกลุ่มที่สามคณิกโตกลุ่มที่สี่ปาติปาติโตอีกสี่ข้อหลังก็คือเพิกตัณหามา n นะและทิฏฐิสามข้อหลังเนี่ยนะว่าโดยการเพิกถอนทิฏฐิเกินการเพิกถอน mana นะและก็ทําลายทําความใคร้ให้สิ้นไปใคร้ก็คือตัณหานั่นแหละดังนี้ชื่อว่า ในยะแห่งการพิจารณาแยกกันเป็นอย่างอย่างหามีไหมนะว่าคือว่ารูปในหนหลังก็ดีอารูปที่ได้กําหนดในหนนี้ใดภิกษุเมื่อดูรูปและอารูปคือเมื่อพิจารณารูปและอารูปอยู่นั้นย่อมมองไม่เห็นสิ่งอื่นที่ชื่อว่านอกเหนือจากไปจากนามรูปไม่มีนะรูปก็บอกชัดเจนแล้วว่าเป็นเรื่องของรูปอารูปก็บอกชัดเจนว่าเป็นนามแล้วจะมีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีจะมีสัตว์อะไรไปจาก รูปแลอะอะรูปสัตตสัญญาความสําคัญหมายว่าเป็นสัตว์ก็เป็นอันถูกเพิกไปตั้งแต่ไม่เล็งเห็นว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะอันนี้เพิกอะไรเพิพกถอนทิฐิใช่ไหมเมื่อพิสุกําหนดถือเอาสังขารทั้งหลายด้วยจิตที่เพิกถอนสัตตสัญญาได้ทิฐิก็ย่อมไม่เกิดขึ้นทิฐิเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ชื่อว่าเป็นอันเพิกทิฐิได้เนี่ยน ะ, อ, ะนะอันนี้ก็ถือว่าเพิกทิฐิได้ใช่ไหมเพราะว่าทิถีไม่เกิดเลย เมื่อพิสุกกำหนดถือเอาสังขารทั้งหลายด้วยจิตที่เพิกถอนทิถีได้มานะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเมื่อมาณะไม่เกิดขึ้นก็ชื่อว่าเป็นอันเพิกถอนมานะได้เมื่อพิสุกกำหนดถือเอาสังขารทั้งหลายด้วยจิตที่เพิกถอนมานะได้ตันหาก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเมื่อตันหาไม่เกิดขึ้นก็ชื่อว่าเป็นอันทำความใคร้ให้สิ้นไปนี้เป็นคำที่กล่าวไว้ในวิสุทธิกถา ก็พูดแบบว่าถ้าตันหามานาทิถิถ้าพิจารณาอย่างนั้นจริงจริงตันหามานาทิถิมันก็ไม่เกิดรองอันนี้ถ้าอธิบายแบบสรุปตามวิสุทธิกถาแต่พระพุทธโคสอาจารย์ท่านบอกว่าอริยวางสากถาดีกว่าเนี่ยนะเพราะว่าการพิจารณาแบบแบบในข้อ721ดรอันนัน้ที่กล่าวถึงวิสุทธิกถาโดยอัฏฐเหมือนไม่ได้อธิบายอะไรก็บอกมันดีอยู่แล้วมันเพิกถอนตันหามานาทิถิได้อยู่แล้วพิจารณาต่อไปเถอะเนี่ยนะท่านอยากจะบอกเราอย่างนั้นแหละ อริยวังสักกะฐานมีการพิจารณาที่ดูและเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าว่าโดยการเพิกถอนทิฏฐิเพิกถอนมานะโดยการทําลายความใคร้ให้สิ้นไปเนี่ยนะอย่างนี้แล้วก็แสดงนัยยะแบบแสดงนัยยะคือวิธีการพิจารณาต่อไปว่าก็เมื่อภิกษุถือเอาว่าเราเห็นแจ้งการเห็นแจ้งของเรามีแก่เราก็คือของเราอะนะ เรานี่ยหมาไม่ธรรมดานะเรามีวิปั ส, สนาสิใช่ไหมนี่วิปั ส, สนาก็ของเราทั้งนั้นแหละอันนี้ชื่อว่าไม่เพิกถอนทิฏฐิอะไรเลยแต่เมื่อถือเอาว่าสังขาร น, นั่นแหละเห็นแจ้งพิจารณากําหนดแยกกําหนดถือเอากําหนดตัดสินใจซึ่งสังขารทั้งหลายก็ชื่อว่ามีการเพิกถอนทิฏฐิสังขารพิจารณาสังขารไม่ใช่เราพิจารณาอั น, นะสังขาร น, นั่นแหละ เห็นแจ้งสังขารสังขารพิจารณาสังขารสังขารแยกแยะสังขารสังขารกําหนดถือเอาตัดสินใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสังขารพิจารณาสังขารอะนะนามพิจารณารูปนามพิจารณานามนามพิจารณารูปรูปพิจารณานามมีไหมอันนะคงไม่สับสนนะสับสนบอกรูปพิจารณานามนี่จะบอกจะมากไปหน่อยแล้วมั้งองั้น ก็มีแต่นามพิจารณารูปนามพิจารณานามเนี่ยนะนามพิจารณาทั้งนามและรูปโดยรูปสัตกะและอรูปสัตกะเป็นต้นมันก็ไม่มีใครอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแต่สังขารธรรมทีนี้ถามว่าบอกว่าเอา้าที่ที่เรียกว่าความเห็นว่าเป็นของเรานี้เป็นความยึดถือด้วยทิฏฐิเพราะยึดมั่นอัตตาเป็นเจ้าของแห่งวิปัสสนาเพราะ เราเนี่ยเป็นเป็นผู้มีวิปัสนาอย่างเงี้ยนะอันนี้ว่าอัตตานี่เป็นเจ้าของวิปัสนาซึ่งสําคัญว่าเป็นของของตนพระโยคีเป็นผู้มีทิฏฐิบริสุทธิ์ก็ด้วยบรรลุทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณะวิสุทธิโดยแท้ถึงอย่างนั้นท่านกล่าวไว้ด้วยอํานาจทิฏฐิที่ไม่โอลานเพราะยังไม่ได้เพิกถอนด้วยมากอันนี้คําอธิบายในดีกาท่านว่าองั้นคือท่านอยากจะบอกเราว่าผู้ที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะ ทิฏฐิก็ยังมีแทรกบ้างอยู่ในระหว่างเช่นวิปัสนาเป็นของเราเรานี่มีวิปัสนาโอวิปัสนาของเราดีเหลือเกินเป็นต้นเนี่ยไอ้พวกไหนก็ยังมีตันมีทิฏฐิอยู่บ้างแต่ทิฏฐินี้ไม่ใหญ่อะไรเป็นทิฏฐิเล็กน้อยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ถูกตัดขาดด้วยโสดาปฏิมักเพราะฉะนั้นยังก็ยังแทรกอยู่นะเหมือนกับว่าเวลาเจริญกุศลอยู่อกุศลก็ยังแทรกนะเนะี่ สมมติว่ากินข้าวคุยกันไปด้วยความอร่อยอร่อยขำสนุกสนานมากเคี้ยวกรอบดังถูกกรวดเข้าไปเนี่ยเป็นไง mm hmm. ก็ยังหัวเราะ ก, กันต่อไปแต่ถามว่าไอตอนเคี้ยวกรวดดังกรอบเข้าไปเนี่ยยังยิ้มอยู่ไหมขณะนั้นไหมไม่ยิ้มแต่ถือว่ า, าที่บริโภคด้วยความอร่อยอร่อยนี่มีโทสะแทรกไหมมี mm hmm. แต่เขาเรียกว่ากินด้วยโทสะไหม mm hmm. ไม่เอาทาไมอ่ะ mm hmm. มันแทรกนิดหน่อยนะมันเรียกว่าอัปโฮาริกอนะ นิดหน่อยอ่ะนะนี่ก็เหมือนกันพิจารณาไปนี่บางทีทิฐิมันก็จะเกิดแทรกบ้างเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการเพิกถอนด้วยอริยมรรคเนี่ยนะทีนี้ส่วนภิกษุผู้ยินดีวิปัสสนาว่าเฮ้ยมานะก่อนนี่เนาะเรานี่เร็วมากเลยนะบอกว่าภิกษุเมื่อถือเอาว่าเราเห็นแจ้งเป็นอย่างดีเราเห็นแจ้งน่าชอบใจอุยเรานี่เก่งจังเลย นะลักษณะนะั้นะนะะเรานี้เก่งมากนะนะก็ไม่ใช่ว่าเพิกมานะใช่มีมานะนะแต่เมื่อถือเอาว่าสังขาร น, นั่นแหละเห็นแจ้งพิจารณากําหนดแยกแยกําหนดถือเอากําหนดตัดสินใจซึ่งขงังสังขารทั้งหลายดังนี้ชื่อว่าเพิกถอนมานะก็ก็อะไรนะของไม่เที่ยงพิจารณาของไม่เที่ยงอ่ะนะจะไปมีใครอนะนะจะไปมีเราอะเรานี้เก่งเราองค์อาจเราสามารถอะไรไม่ได้หรอก เพราะว่าสังขารธรรมเห็นสังขารธรรมพิจารณาสังขาร น, นะนามพิจารณารูปนามพิจารณานามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานามธรรมา ท, ทั้งหลายมันจะไปมันก็คือนามมันยังค่ํานั่นแหละมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจอะไรเนี่ย น, นะส่วนเพิกถอนตันหาว่าพิสุยินดีวิปัสสนาว่าเราสามารถเห็นแจ้งได้แม้เพลินมากเลยใช่ไหมเพลินว่าเราเนี้ทําได้นะ เราก็เป็นผู้ทำได้คนหนึ่งละงะไม่ชื่อว่าทำความใคร่ให้สิ้นไปแต่เมื่อถือเอาว่าสังขาร น, นั่นแหละเห็นแจง้งพิจารณากำหนดแยกกาหนดถือเอากำหนดตัดสินใจซึ่งสังขารทั้งหลายดังนี้ชื่อว่าทาความใคร่ให้สิ้นไปดูนะหลักการเจริญวิปัสสนาคืออะไรบอกคือการเห็นแจง้งการพิจารณาการกาหนดแยกแยะการกำหนดถือเอากากหนดตัดสินใจ อันนี้เป็นลักษณะของคําพูดแบบวิปัสนานะว่านนบาลีเขาเรียกว่าวิปัสสติสำมามสมติววัตเป็นติปริขันติเนี่ยนะปริชินทันติเนี่ยนะว่าพวกนี้เป็นคําชื่อของคําอธิบายกําหนดแยกแยะการพิจารณากําหนดถือเอาวิเคราะห์เป็นต้นนะนะนั่นการนั่นแนหะคือศัพท์ที่อธิบายลักษณะของวิปัสนาวิปัสสติก็คือเห็นสำมาสมติเนี่ยก็คือพิจารณาววัตเป็นติก็คือการ แยกแยะวิเคราะห์เนี่ยนะปริคหันติคือถือเอารอบปริฉันติก็คือจำแนกแยกแยะได้อย่างละเอียดละ อ, อีทถ่วนตัดสินใจในความไม่เที่ยงเป็นต้นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีไม่มีสั์บรรยัตใหม่ๆนะที่วิปัสสนาใหม่ๆใช้เนี่ยไม่ไม่ใช่เลยเมื่อเห็นอยู่ว่าถ้าหากสังขารพึงเป็นอัตตาแล้วไซนะถ้าหากว่าไอ้ตัวปัญญาเนี่ยนะเป็นอัตตาก็ควรจะถือเอาว่าเป็นอัตตา ใช่ไหมถ้านามาทําทั้งหลายที่พิจารณาเป็นอัตตาก็เออดีแล้วก็ต้องยึดถือว่ามันเป็นอัตตาสิเนาะแต่ว่าไม่ใช่อัตตาเลยก็ถือว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านั้นชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะความหมายว่าไม่เป็นไปในอํานาจวิปัสสนานี้เป็นแไปในอานาจไหมวิปัสสนาเป็นต้นถูกปรุงแต่งด้วยเหตุด้วยปัจจัยเนี่ยนะถูกปัจจัยปรุงแต่งมากไม่ใช่อัตตามันสั่งขึ้นมาบอกแกจงเจริญวิปัสสนา วิปัสนาโตเอาตัวเอ า, เอาแล้วบรรลุเลยอย่างเงี้ยนะไม่มีใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมมันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปอำนาจชื่อว่าไม่เที่ยงคือจากไม่มีแล้วมีขึ้นมีขึ้นนะถ้าเลิกมณสิการเหลือไหมไม่เหลือแล้วเนี่ยนะถ้าเลิกเจริญต่อไปอะไรจะเกิดกิเลสเกิดปัญญาหมดไปนานแล้ว ชื่อว่าเป็นทุกข์โดยความหมายว่ามีความเบิดบีบคั้นโดยมีความเกิดและความเสื่อมไปอย่างนี้เพิกถอนทิฏฐิก็คือพิจารณาอนัตตาอนิจจ์และก็ทุกขังเพื่อจะเพิกถอนทิฏฐิว่านะตัวจิตตัวปัญญาที่พิจารณาก็เป็นไปตามความไม่เที่ยงเพราะมีแล้วก็ไม่มีเป็นทุกข์เพราะบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับเป็นอนัตตาเพราะไม่มีผู้ใดเป็นภายในอำนาจในสิ่งเหล่านี้หรือไปมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ใด เมื่อเล็งเห็นว่าสังถ้าหากว่าสังขารจะพึงเป็นของเที่ยงไซก็ควรจะถือเอาว่าเป็นของเที่ยงแต e ่ว่าไม่ใช่ของเที่ยงเลยก็ถือเอาว่าเที่ยงฉะนั้นสังขารเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงโดยความหมายว่ามีแล้วก็กลับไม่มีชื่อว่าเป็นทุกโดยความหมายว่ามีความบีบคั้นโดยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปชื่อว่าเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็ น, นไปอัปนในอํานาจอย่างนี้ก็จะเพิกถอนมานะได้นะ เพิกถอนมานะได้นะว่าเออสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาก็ถ้าสังเกตดูนะวิธีเพิกถอนทิฏฐิเนี่ยถอนด้วยอนัตตานุปัสสนาเป็นหลักถอนมานะถอนด้วยอนิจจานุปัสสนาเป็นหลักถ้าถอนตัณหาดูนะเมื่อเล็งเห็นอยู่ว่าถ้าหากสังขารพึงเป็นสุขใสก็ควรที่จะถือเอาว่าเป็นสุขแต่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละก็ถือเอาว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นทุกข โดยความหมายว่ามีความบีบคั้นโดยความเกิดและความเสื่อมไปชื่อว่าไม่เที่ยงโดยความหมายว่ามีแล้วกลับไม่มีชื่อว่าเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจดังนี้ชื่อว่าทำความใคร่ให้สิ้นไปนะนะก็คือถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์เพื่อละตัณหานั่นเองสรุปเห็นโดยอนัตตาละทิฏฐิเห็นโดยอนิจจังละมานะตามเห็นโดยทุกขังละ ละตันหาละตันหาเมื่อพิสูจน์เห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็เพิกทิฏฐิเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงถอนมานะเชื่อว่าเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ชื่อว่ามีการทําความใคร้ให้สิ้นไปวิปัสสนานี้ย่อมตั้งอยู่ในฐานะของตนของตนนั่นเทียวตามประการดังกล่าวมานี้พระโยคีพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยเกี่ยวกับรูป อ, อรูปสติกะตามประการดังกล่าวมานี้ ด้วยการบําเพ็ญภาวนาเพียงเท่านี้เป็นทั้งรูปกรรมาฐานนามกรรมาฐานของพระโยคีนั้นย่อมเป็นธรรมชาติที่คล่องแคล่วนะชำนาญมากเลยนะอารมณ์ไหนที่มนาสิการแล้วไม่เป็นไปในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเลยนะทุกอย่างโคจรไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยนะของเรานี่สักวันหนึ่งต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้เลยสักวันหนึ่งคิดถึงอะไรก็อนิจจังทุกขังและ อนุตาเนี่ยนะก็ได้แต่ตั้งความปรารถนาไว้ก่อนเนนะพอเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน